โอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่เราจะได้นั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติทำให้เกิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตขอให้ทุกคนจงตั้งจิตให้แน่วแน่ว่าบัดนี้ฉันจะปฏิบัติสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติทปัวญา ฉันจะรละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ว, ว่าพุโทโธรละลึกถึงคุณของพระธรรมว่าธรรมโมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าสังโฆพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ที่จิตของท่านฉ่า น, นจะกำหนดสติสำรวมเอาจิตของท่านแล้วจะให้ คำว่าพุโทโธเพียงคำเดียวเป็นสื่อนำจิตของฉันให้เข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิสติปังวังพยายามนึกพุโทโธพุธโทโธไว้จิตนาทีของเราเพียงแต่นึกพุโทโธเพียงอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าใครเคยภาวนาสัมมาละหังยุบหนอพองหนอ ก็ให้เอาตามที่ตนเคยตนทำนิทำนานมาแล้วเพราะว่าพุโทโธก็ดีสัมมาหังก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีเป็นแต่เพียงคำพูดที่เราจะมาบริกรรมภาวนาให้จิตของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิในเมื่อเรานึกบริกรรมภาวนาเรื่อยไปด้วยจิตที่สบาย เราไม่บังคับจิตเราไม่ข่มจิตเราไม่คิดว่าเมื่อไรจิตจะสงบเราไม่คิดว่าเมื่อไรเราจะรู้จะเห็นไม่ต้องไปคิดทั้งนั้นหน้าที่ของเราเพียงแต่ว่าตั้งจิตให้มีสติแน่วแน่นึกบริกรรมภาวนาเพียงแค่ในใจเท่านั้นความสงบหรือไม่สงบ ความรู้ความเห็นจะมีหรือไม่มีให้เป็นหน้าที่ของจิตใเมื่อจิตเขาสงบจริงๆแล้วเขาจะเกิดพลังงานและมีความรู้ความเห็นขึ้นมาเองดังนั้นนบัปนี้ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์ แก่จิตใจของเราอย่างแท้จริงเราต้องอาศัยความอดทนและความจริงใจความอดทนและความจริงใจเนี่ยจะทําให้จิตของเราเกิดมีพลังงานเมื่อจิตของเรามีพลังงานมีสมาธิตั้งมันมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมคําบริกรรมภาวนาที่เรานึกอยู่มันจะหายไป ยังเหลือติด ท, ที่สงบนิ่งบางทีก็เป็นนิ่งอยู่เฉยๆไม่นึกไม่คิดอะไรบางทีก็สงบนิ่งแล้วเกิดสว่างมีปีติมีความสุขจะทำให้รู้สึกว่ากายก็เบาจิตก็เบามันเบาสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง หายเหน็ดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายมึนร่างกายก็ปลอดโปลง่งสมองก็ปลอดกปร่งมันเบาสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตของผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิแล้วถึงแม้ว่าจะยังเป็นสมาธิอ่อ น, ออน ก็ให้เราประคับประคองจิตของเราให้อยู่เฉยๆระวังอย่าให้เกิดเอกใจหรือตกใจขึ้นมาถ้าถหากจิตของเราค่อยๆสงบลงไปทีละน้อยละน้อยเราจะไม่ตกใจแต่ถ้าหากว่าอยู่ๆมันกระโดดวูลงไปเราจะเกิดความตกใจ มันวูบลงไปแล้วเราไม่ตกใจมันจะหยุดนิ่งพอนิ่งแล้วถ้าหากว่ามันขาดสติสติยังอ่อนมันก็กลายเป็นความหลับคือนอนหลับอย่างธรรมดาแต่ถ้าสติของเราตามรู้ทันจิตของเราจะรู้สึกแจ่มแจ่มก็ยิมก็จยิมบางทีก็มีความสว่างสวัย ในตอนนี้จิตของเราอาจจะนิ่งว่างอยู่เฉยๆเมื่อมันนิ่งว่างอยู่เฉยๆผู้ปฏิบัติก็รู้อยู่เฉยๆในตอนนี้สมาธิของเรากำลังเริ่มจะเป็นเองตามธรรมชาติของสมาธิพยายามจะไปแทรกอย่าไปสร้างความคิดอะไรแทรกแซงขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ในที ถ้าลราฟังไม่ให้เกิดความตั้งใจจะกำหนดรู้จะปล่อยให้รู้อยู่ในทีได้เป็นดีในช่วงนี้ถ้าเราตั้งใจขึ้นมาปั๊สมาธิมันจะถอนแม้จะเกิดเพริใจสมาธิมันก็ถอนเพราะฉะนั้นควรจะประครับประคองจิตของเราไว้ให้ดีให้มันรู้อยู่เห็นอยู่ในที อันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิแล้วอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกจะทำให้เรารู้สึกตกใจอีตอนสมาธิมันลึกลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไ ป, เ, งไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับลมหายใจจะไม่มีเหมือนกับ จะหยุดหายใจในตอนนี้ก็จะทําให้เราเกิดเอกใจและตกใจอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราประคับประคองจิตเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆไม่ให้เกิดเอกใจหรือตกใจสมาธิมันจะยั้งอยู่ได้นานแล้วจะไม่ถอนจากสมาธิทีนี้ถ้าจิตของเราสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีสมาธิมั่นคง ทางไปของจิตทางใหญ่ๆมันจะมีทางไปสองทางทางหนึ่งจิตสงบนิ่งว่างว่างว่างว่างไปความรู้ต่างๆไม่เกิดขึ้นแต่จิตของเราจะมีความรู้อยู่เฉพาะในจิตเท่านั้นบางทีมันว่างจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายมีแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยู่ พอมาถึงตอนนี้แล้วสัญญาเจตนาที่เราจะประครับประคองจิตมันหมดไปยังเหลือแต่สมาธิที่เป็นเองตามธรรมชาติของสมาธิสมาธิที่จิตสงบลิ่งว่างว่างเลื่อยไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายอันนี้เรียกว่าสมาธิในฌานสมาบัติถึงแม้ว่าจะไม่เกิดภูมิความรู้อะไรก็ตาม แต่ก็เป็นฐานสร้างพลังจิตทำให้จิตของเรามั่นคงทำให้จิตสัมปชัญญะของเราเข้มแข็งเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเรานึกถึงสิ่งใดความรู้สึกในจิตของเรามันจะแน่วแน่เพราะอาศัยพลังที่เกิดจากจิตที่สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นเหตุเป็นปัจจัย พอกันแม้ว่าจิตของเราจะสงบได้เพียงแค่สมถกรรมฐานไม่เกิดภูมิความรู้กว่าตามทีแต่ผลที่เราจะพึงได้ก็คือทําให้จิตของเรามีความมั่นคงจึงเรียกว่าสมาธิแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้เตรียมพร้อมดูทิศเพียงแค่นี้ก็ได้ชื่อว่าจิตของเรากลายเป็นจิตพุทธะ เมื่อจิตมีสติเตรียมพร้อมอยู่จิตก็เป็นผู้รู้คือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจิตก็เป็นผู้ตื่นคือตื่นได้แก่เตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้เปิกบานเพราะจิตของเรามีความแกล้วกล้าอาถรรพไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ทั้งปวงยิ้มรับสถานการณ์ได้อย่างคล่องตัว และด้วยความแกล้วกล้าอานานจึงเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ทางหนึ่งซึ่งจิตสมาธิจะพึงเป็นไปและอีกทางหนึ่งเมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้วจิตจะไปยับยั้งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วมันจะเกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาถ้าจิตมีพลังแก่กล้า ความคิดความรู้มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเหมือนกับน้ำํำพุในเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้บังเกิดขึ้นกับจิตของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นควรจะกําหนดสติรู้จิตเถิ อ, อยู่เท่านั้นอย่าไปสําคัญมั่นหมายเกี่ยวกับความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างความคิดอะไรขึ้นมาแทรกแซง ปล่อยให้จิตของเราเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมีความเข้มแข็งขึ้นสมาธิมั่นคงขึ้นไปในบางช่วงจิตของเราอาจจะแยกเป็นสามมิติมิติหนึ่งเคลอยูดด่ไม่หยุดยั้งอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูถ้ากายยังปรากฏอยู่อีกมิติหนึ่งจะนิ่งเฉยอยู่ในท่ากลางของร่างกาย จิตตัวที่คิดไม่หยุดอันนั้นเป็นจิตเหนือสำนึกแต่ว่าตัวที่ต้องมองดูอยู่นั้นเป็นจิตพุทธะผู้รู้ได้แก่ตัวเจตสิกคือสติสัมปชัญญะที่รู้เตรียมพร้อมอยู่ส่วนตัวที่นิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเป็นจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงาน เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาดำเนินไปตามคันรองของสมาธิสติสัมปชัญญะกำหนดตามรู้ไปทุกระยะระยะเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเองโดยอัตโนมัติความคิดก็เกิดขึ้นเอง สติตัวที่เฝ้าดูก็เป็นเองสมาธิตัวจิตมั่นคงก็เป็นเองแล้วจิตมีสติโลดุกที่ติดอันนี้ก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งคือเอกขตาอยู่ ก, กับอารมณ์ในปัจจุบันคือความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเมื่อจิตมีพลังแก่กล้าสงบละเอียดลงไป จนกระทั่งรู้สึกว่ากายค่อยจางไปจางไปจางไปความเบากายเบาใจกายเบาจิตเบาก็ปรากฏขึ้นแล้วในที่สุดร่างกายหายไปจะยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานสภาวะอันเป็นความคิดจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งบางทีเหมือนกับเมฆหมอก ซึ่งไหลผ่านไปแล้วก็ผ่านไปความรู้สึกว่าจิตสบบเป็นสมาธิดูในขันนั้นขั้นนี้ก็ไม่มียังเหลือแต่จิตกับสิ่งที่ปรากฏการให้จิตรู้ ด, ดูอันนี้เป็นีติภูตังความที่จิตตั้งมั่นริ่งนิ่งเด่นไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ทั้งปวงเป็นจิตแท้เป็นจิตดั้งเดิม จิต ด, ดวงนี้แหละที่นักปราชญ์ท่านว่าประพัฒสลมิทางพิกเวจิตตังจิต เ, เป็นธรรมชาติประพัฒน์สอคือเป็นจิตที่สะอาดแต่ความสะอาดของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าขาวซึ่งเป็นผ้าที่สะอาดยังสามารถที่จะยอมให้เป็นสีต่างๆได้ ในขณะที่จิตนิ่งรู้ตื่นเบิกบานอยู่จากนั้นยังไม่ถอนจากสมาธิจิตก็ทรงตัวอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วพอสัมพันธ์กับร่างกายความรู้สึกที่มีกิเลสถืออารมณ์เป็นสิ่งลู่ของจิตก็ย่อมปรากฏขึ้นอันนี้เป็นความเป็นไปของจิตในสมาธิขั้น ที่เข้าไปสู่จิตแท้จิตตั้งเดิมของเราเมื่อเราปฏิบัติสมาธิมาถึงจุดนี้เราก็จะรู้ชัดเจนว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมของเรามันเป็นอย่างนี้คือจิตที่ไม่มีอารมณ์ไม่ยึดในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่ทรงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเป็นอิสระแก่ตัวเอง แม้จะมีเหตุการณ์อะไรปรากฏขึ้นในจิตจิตก็ได้แต่เป็นกลางวางเฉยสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ปรากฏขึ้นให้จิตรู้มาจากไหนก็มาจากจิตใต้สำนึกที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่ได้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆ สิ่งรู้ซึ่งเป็นอารมณ์ไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปในภายในจิตได้เพราะตอนนี้จิตมีพลังงานอย่างเข้มคน้นมีอำนาจจูเนอกิเลสและอารมณ์ชั่วขนาดหนึ่งอันนี้คือสมาธิขั้นละเอียดขั้นสูงสุดสมาธิในขั้นนี้แม้ว่าจะมีความรู้มีความคิดเกิดขึ้นจงกระทั่งไปถึงขั้นละเอียด ติดตั้งมั่นนิ่งเด่นรู้เห็นอารมณ์อันใดก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็ยังนับว่าเป็นสมาธิที่อยู่ในขั้นสมถกรรมฐานเพราะจิตยังไม่ได้ตัดสินใจรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าว่าจิตถอนจากสมาธิมาแล้วถอนพูดพูดพูดมาสู่ปกติธรรมดาโดยไม่ได้จับยั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ําเติมอีกทีหนึ่งภทมจิตก็ได้เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานแต่ถ้าจิตถอนจากสมาธิเล็กละเอียดมาพอสัมพันธ์ว่ามีร่างกายพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตอาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงาน ความคิดเป็นการผ่อนคลายความถึงเครียดความคิดเป็นเครื่องหมายให้เรากำหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับความคิดนี่แหละมันมาดุ๊ดุ๊ให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์แล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์ทีนี้ถ้าจิตมาทบทวนแล้วมาพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้ ความรู้แจ้งเห็นชัดอันนั้นเรียกว่าวิปัสนาทีนี้วิปัสนามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อจิตไปสงบตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสบยแต่ถ้าออกมาแล้วจิตไม่รู้ว่าจิตนั้นคืออะไรสมาธินั่นคืออะไรก็ยังเป็นสมถะแต่ว่าถ้าจิตไปรู้ว่าอ๋อนี่หนอ จิตแท้จิตร่างเดิมมันเป็นอย่างนี้รู้แจ้งเห็นชัดหายสงสัยเป็นวิปัสนาจิตที่มารู้ว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ความคิดนี่แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์ความรู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าภูมิความรู้ของวิปัสสนากรรมฐานแค่นี้คือทางใหญ่ที่จิตจะเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิสมาธิที่สงบนิ่งว่างว่างว่างไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายเรียกว่า สมาธิในฐานสมาบัติเป็นอารัมมโนปนิธานเพราะจิตรู้ในสิ่งสิ่งเดียวแต่สมาธิที่จิตว่างลงพอจิตมีความมั่นคงนิดหน่อยก็เกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างกระทมผู้จนกระทั่งดาเนินไปตามคันรองของสมาธิแบบนี้ไปถึงถีติภูตัก สมาธิอันนี้เรียกว่าลักคนูปนิชฌานเป็นฌานในทางอริยมรรคอริยผลอันนี้ปัญหานี้ผู้ปฏิบัติเพียงแค่กำหนดสติตามรู้ไปทุกระยะเท่านั้นแต่มีปัญหาอีกว่าถ้าหาว่าจิตของเราไปสงบติดอยู่ที่สมาธิสงบว่างว่างว่า ง, างไปเฉยๆหรือเรียกว่าติดสมถะนั่นเอง เราจะแก้ไขมันอย่างไรในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นทางปฏิบัติเมื่อจิตมันสงบละเอียดลงไปปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันแต่ถ้าเมื่อจิตของเราถอนจากสมาธิมาก็รู้สึกว่ามีกายเท่านั้น ให้ยับยั้งอยดุจะรีบออกจากที่นั่งสมาธิในทันทีให้กําหนดสติรู้จิตของเราเฉยอยู่ถ้าหากว่าจิตว่างปล่อยให้มันว่างไปถ้ามันคิดปล่อยให้มันคิดไปแต่เราต้องมีสติตามรู้ไปทุกระยะถ้าหากว่าจิตของเรายังไม่มีพลังเพียงพอ เมื่อคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เขาจะหยุดคิดกลายเป็นความว่างปล่อยให้ว่างอยู่จากนั้นทำไมถ้าของจิตจะว่างอยู่ได้นานๆไม่ไร้ระเดีเ๋ยวมันก็เกิดความคิดขึ้นมาเมื่อเกิดความคิดเรากำหนดจติตรู้ว่างรู้คิดรู้ว่างรู้คิดรู้สลับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งเราสังเกตดูจิตของเรา เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เขาไม่ยอมหยุดจะให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดอันนี้เรียกว่าจิตของเรามีพลังงานพอที่จะทำงานได้แล้วแล้วเราจะอย่าไปอย่าไปรำคาญความคิดเมื่อเขาคิดได้เองปล่อยให้เขาคิดไปแต่เรากำหนดสติตามรู้ไปทุกระยะระยะ จนกว่ามันจะไปถึงจุดที่เรียกว่าถีติภูตังดังที่กล่าวแล้วอันนี้คือทางเป็นไปของจิตในเมื่อเกิดสมาธิมาแล้วมันจะแยกไปทางสายอารัมมโูปนิธานจิตว่างไปเฉยๆแล้วก็แยกไปในสายลัคนูปนิธานจิตสงบแล้วเกิดความรู้ความคิดขึ้นมา ความรู้ความคิดอันนั้นจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งในขั้นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือทางใหญ่ที่จิตมันจะดำเนินไปแล้วยังมีทางแยกทางย่อยอีกสามทางคือเมื่อเราบริกรรมภาวนาก็ดีกำหนดรู้อารมณ์ติดก็ดี ในเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานทางไปมันมีอยู่สามทางทางหนึ่งจิตอาจจะจับลมหายใจวิ่งตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่้ำกลางของร่างกายซึ่งในตอนแรกๆเขาจะวิ่งออกวิ่งเข้าตามจังหวะ ก, การหายใจปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา ที น, นี้ถ้าว่าจิตยังไม่วิ่งเข้ามาในกายกำหนดรูดอยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวหนักๆเข้าลมหายใจจะแผล่วลงแผ่วลงแผ่วลงเหมือนกับจะหยุดหายใจตรงนี้ต้องประครับประคองจิตให้ดีอย่าเอะใจและตกใจถ้าเราไม่เกิดเอะใจตกใจสมาธิของเราจะยั้งอยู่ได้นาน ถ้าลมหายใจหายขาดไปปับ๊บร่างกายก็หายยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างสบายอยู่ดวงเดียวท่อนั้นถ้าหาก็จิตไม่เป็นเช่นนั้นถ้าตามลมหายใจไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่อมกลางของร่างกายจิตจะมองเห็นอวัยวะภายในภายในกายของเราเองนี่ครอบท่วนอาการสามิอ เห็นผมขนเล็กฟันหนังเลือเอ็นกระดูกป้ามหัวใจตับปอดทั้งผืดใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าทั่วหมดภายในร่างกายจนกระทั่งจิตสงบละเอียดละเอียดลงไปจนกระทั่งกายหายยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างสบายหยุดเพียงดวงเดียวเท่านั้นแล้วบางทีอาจจะย้อนมามองดูกาย เห็นร่างกายตายเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปหมดไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายอยู่เท่านั้นอันนี้เป็นทางหนึ่งที่จิตจะพึงเป็นไปอีกทางสุดท้ายจิตไม่สนใจกับเรื่องอะไรพอสงบแล้วก็มาที่รู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นบางครั้งก็เห็นจิตนิ่งอยู่เฉย แต่บางครั้งจะมองเห็นอารมณ์ละเอียดปรากฏขึ้นเกิดขึ้นแล้วกว็ดับไปเกิดขึ้นแล้วกว็ดับไปซึ่งเรียกว่ารู้เห็นความเกิดดับนั่นเองแล้วจิตก็จะกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติในช่วงที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าสมถกรรมฐานแต่ถ้ า, าว่าจิตนั้นถอนจากสมาธิมาแล้ว มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งถ้ารู้เห็นการตายเขาจะบอกว่านี่แหละคือการตายรู้ซะตายแล้วมันก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือส่วนที่เป็นดินน้ำลมไฟก็จะไปตามสภาพเดิมของเขาเพราะว่าร่างกายนี้มันมาจากดินน้ำลมไฟภายนอกนั่นเอง เมื่อมันแตกลับลงไปแล้วมันก็จะสลายตัวไปสู่สภาพเดิมของมันส่วนที่แข่นแข็งผมขนเล็บเป็นต้นมันก็ละลายไปเป็นดิบส่วนที่เป็นน้ำเหลวๆซึ่งมีอยู่ในกายมันก็เป็นไปมันก็ไปเป็นน้ำส่วนลมหายใจมันก็ไปกลับลมในอากาศทีนี้ส่วนที่เป็นไฟคือความอบอุ่นที่มีอยู่ในกายมันก็ไปกลับไฟ คืนไปหาดวงอาทิตย์ตามเลยแล้วในที่สุดมันจะสรุปลงว่าร่างกายนี้เป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนในเโลุ่เห็นขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะงั้นจะด้วยประการใดก็ตาม การปฏิบัติสมาธิตามความเข้าใจของนักปฏิบัติมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรากำหนดอารมณ์บริกรรมภาวนาแล้วก็พยายามฝึกน้องจิตร้อมจิตร้อมจิตให้เข้าไปสู่ความหยุดนิ่งอาศัยการฝึกจนคล่องชำนิชำนาญเราจะให้จิตของเราหยุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันก็เป็นแต่เพียงความสงบ แต่บางทีเราอาจจะน้อมไปดูโน่นดูนี่มันก็สามารถที่จะเห็นได้แต่สัญญาเจตนามันยังไม่หายขาดไปก็แสดงว่าสมาธิมันเกิดเพราะการปรุงแต่งเกิดเพราะการฝึกให้คล่องตัวทำนิ้ทำนานเราอยากจะให้มันหยุดเมื่อไหร่นิ่งเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะให้มันรู้มันเห็นอะไรเราก็น้อมเลิกไปพอจิตแน่วแน่ขึ้นมาทั่วขนาดหนึ่ง มันก็มองเห็นนืือรู้ขึ้นมาได้อันนี้เป็นสมาธิซึ่งเกิดจากการตกแต่งและอีกสมาธิอันหนึ่งมันเป็นเองโดยอัตโนมัติแต่มันก็อาศัยสมาธิเกิดจากการตกแต่งนั่นเองพอฝึกไปฝึกมาสมาธิซึ่งเป็นเองตามธรรมชาติมันก็จะเกิดขึ้นมาอีก สมาธิที่เป็นเองตามธรรมชาตินั้นสัญญาเจตนาที่จะไปควบคุมจิตมันหายหมดพราะหลังจากนั้นจิตมันจะไปแบบไหนจะไปสายสมถะสายวิปัสนาเขาก็จะเป็นเองโดยอัตโนมัติแต่จะไปสายสมถะก็สงบนิ่งว่างๆไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายแต่จะไปสายวิปัสนามันก็เกิดความรู้ความคิดเกิดขึ้น สติสัมปชัญญะก็คอยกำหนดตามรู้เองโดยอัตโนมัติจนกว่าจะไปถึงจุดซึ่งเรียกว่าถีติภูตักเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเพิ่งทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งรละลึกจะเป็นอะไรก็ได้นักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยกำลังศึกษา ถ้าตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิพิจารณาธรรมก็ให้ยกอาวิชาความรู้ที่เราเรียนมาในท่านของเรานั่นไหมาเป็นอารมณ์พิจารณาเราเรียนมาทางวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ลัฐศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็ตามอย่างวันนี้ไปโรงเรียนมาอาจารย์สอนอะไรมาพอกลับมาถึงที่พัก อาบน้ำรับทานอาหารอาาร่านหนังสือดูตำรับตำลาก่อนนอนไหว้พระนั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิให้พยายามคิดทบทวนวิชาความรู้ที่เรียนมาแต่และวันละวันเพื่อจะให้เรารู้ได้ว่าวันนี้เราจำได้กี่มากน้อยเอาหลักวิชาที่เราเรียนมานั่นเป็นอารมณ์จิตในการพิจารณา อย่าไปเข้าใจว่าเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาแล้วจิตมันออกนอกกลู่นอ ก, ก, นอกามไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ว่าเราตั้งใจปฏิบัติสมาธิเอาสิ่งอื่นเป็นอารมณ์เช่นบริกรรมภาวนาเป็นต้นเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิตามธรรมชาติแล้วจิตของเราหนักอยู่ในแง่ไหนผูกพันอยู่กับเรื่องอะไรมันจะวิ่งไปหาสิ่งนั้น แล้วจะไปคิดปรุงแต่งวิจัยอยู่ในสิ่งนั้นๆั้นันนี้หมายถึงสมาธิที่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติมันจะเป็นเช่นนั้นในเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราจะไปเข้าใจผิดว่าจิตมันพุ้งซ่านและมันออกนอกรูกนอกข่าวเพราะว่าคำว่าสภาวะธรรมหมายถึงกายกับใจของเราซึ่งที่เราสามารถรับรู้โดยตาหูจมูกเล่นกายและใจ รวมทั้ธุรกิจการงานอันเป็นเรื่องชีวิตประจําวันการศึกษาวิชาความรู้ที่เราเรียนมาตามชั้นนั้นๆั้นอันนี้เป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นทิ่งระลึกของสติถ้าเราดําเนินการปฏิบัติตังที่กล่าวนี้สมาธิกับงานของเรามันจะมีความสัมพันธ์กันแล้วเราจะรู้สึกว่า โอกาสที่เราปฏิบัติสมาธิมันจะไม่มีอุปสรรคขัดข้องเพราะว่าเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอารมณ์จิตในการภาวนาได้เช่นอย่างเวลานักศึกษาจะปฏิบัติสมาธิในห้องเรียนพออาจารย์มายืนหน้าห้องเรามองจ้องไปที่ตัวอาจารย์ท่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาและจิตไปอื่นจ้องอยู่อย่างนั้น จนกว่าจะจบทั่วโมงสอนจนกว่าจะจบชั่วโมงเรียนทําอย่างนี้ต่อเนื่องกันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนเราจะได้สมาธิในการเรนถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันจริงๆในเมื่อได้สมาธิอย่างเข้มแข็งเวลาไปสอบอ่านคําถามจบจจตมันจะว่างลงนิดหนึ่งคําตอบจะผุดขึ้นมา เราจะเขียนเอาเขียนเอาไม่ต้องคิดอะไรมากบางทีเวลาก่อนหน้าจะสอบจิตของเราจะบอกว่าให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกที่ตรงนี้อันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิให้สัมพันธ์กับเรื่องชีวิตประจำวันหาเราพยายามปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอน เราจะได้พลังของสมาธิมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งทาให้เราเรียนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันนี้คือผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้คนเราทุกคนมีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอํานาจอยู่ในตัวกันทุกคนแต่ฤทธิ์อิทธิพลอํานาจอ น, นั้นมันจมอยู่ในจิตใต้สํานึกเรามาปฏิบัติสมาธิเพื่อปลุกจิตใต้สํานึกให้มันตื่นขึ้นมา เมื่อจิตใต้สำนึกตื่นขึ้นมามีลักษณะอย่างไรเราจะรู้สึกว่าจิตของเรามีสติคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเราจะมีความรู้สติรู้สึกตัวแล้วก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีอันนี้แสดงว่าจิตใต้สำนึกของเรามาตื่นขึ้นมาแล้วเล็ด อ, อิทธิพลและอำนาจที่มันจมอยู่ในจิตใต้สำนึก มันก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกันซึ่งเราสามารถที่จะน้อมไปใช้ในธุรกิจการงานในเรื่องทีฮิตประจำวันของเราได้เอาละล้งตาของรบพวนเวลาของพวกเธอมาพอสมควรจึงในท้ายที่สุดนี้ขอบรารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองครูอาจารย์ในนักศึกษาทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจ และให้สำเร็จสิ่งที่ตนพึงปรารถนามาปฏิบัติสมาธิก็ให้ได้สมาธิให้ได้สติสัมปชัญญะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสมะตามความเป็นจริงณนะบัดนี้หลวงตาจะปลุกเสกให้พวกเธอทั้งหลายมีสมาธิมีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอำนาจ มีหัวคิดสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความทรงจำดีมีปัญญาดีวิเศษเกิดมากขึ้นทุกวินาทีขอจบบรรยายเพียงแท่นี้